Innovation c o r l i d e วันน um ah er, ี้เราจะพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุพันธ์ยั่งยืนค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยุกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องเร่งการเพาะข้าวหางนกซึ่งผลงานชิ้นนี้ค่ะคว้าสุดยอดนวัตกรรมข้าวไทยในปี2562นี้อีกสักครู่เราจะได้พูดคุยกันค่ะ RMU TT Farm Shop ยินดีต้อนรับค่ะ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 นิวเอเจนฟอไลฟ์ในวันนี้ขอแนะนําผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุพันยั่งยืนท่านเป็นอาจารย์ประจําคณะวิทยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาทําความรู้จาัก ก, ากันกับเครื่องเร่งการผอมข้าวหางงอกค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นที่จะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเครื่องขออนุ ญ, ญาตถามอาจารย์ว่าไอ้เข้าวหางงอกนี่มันเป็นยังไงมันคืออะไรคะอาจารย์ ค่ะก็ข้าวหางงอกนะคะก็คือเป็นข้าวกล้องงอกชนิดหนึ่ง เ, เป็นกล<อ>ุมวัตยาท้องถิ่นของชาวภูไทยคะ่ะที่ใช้ข้าวเปลือกมาเพาะงอกค่ะอืมข้าวคางงอกข้าวกลส่วนใหญ่ก็อบอกว่าขออนุญาตแต่ว่าไม่เคยไม่เคยได้ยินคําว่าเพาะเคยได้ยินแต่ข้าวข้าวกล้องน ะ, นะคะข้าวกล้องงอกอย่างเงี้ยแต่ว่าข้าวหางงอกเนี่ยไม่ไม่รู้จักเลยก็คือตัวเดียวกันเลยใช่ไหมคะอาจารย์ นกานทํำข้าวกล้องงอกค่ะเราจําแนกเป็นวัตถุบิบ ต, ต้นทางก็คือทําจากข้าวกล้องแล้วเอามางอกและนํำข้าวเปลือกมาเพาะงอกค่ะซึ่งข้าวฮางงอกเป็นกลุ่มที่เอาเข้าวปือมาเพาะงอกกลุ่มนี้จะให้สารอาหารสูงกว่าที่เอาเข้าวกล้องมาเพาะงอกสองเท่าค่ะถ้าอย่างนี้อาจารย์พอจะบอกได้ไหมคะว่าอ้สารอาหารจากข้าวฮางงอกเนี่ยมีประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะร่วนหลกัลกๆเลยค่ะจะเป็นคาร์าบาค่ะ กาบ้าเป็นสดแกม่าบีทรูทแอร์สุดนะคะที่เป็นกลุ่มสารสื่อประสาทก็ราบประทานแล้วก็คือจะทำรู้สึกสดชื่นนะคะ อ, อค่ะแล้วส่วนใหญ่เรานิยมทานจะไหมคะอาจารย์ถ้ า, าเป็นอ่ค่ะโดยพื้นของชาวภูไทเนี่ยรับประทานมากว่าสอง้อยปีแล้วนะคะแล้วก็คุมพูรัชคุ้ภาพ ก็นิยมค่ะมีจําหน่ายตามห้างสรรพสินค้าอยู่แล้วค่ะโอเข้าใจละก็ก็คล้ายๆกันแต่บางคนอาจจะไม่ได้สังเกตตัวเองก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกันเวลาซื้อข้าวผ่านแบบส่วนมากก็จะหยิบข้าวกล้องก็ข้าวก ล, ล้องไหนีา้างไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ไ, ไดปสังเกตว่าว่ามันมันแบบว่าโอเคแหละก็ดูแหละ ว, ว่ามันมีคุณค่าเอทางโภชนาการอะไรบ้างดูนิดหน่อยค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะแล้วทีนี้ในส่วนที่อาจารย์ เริ่มต้นนะคะในการที่จะพัฒนาขึ้นเรื่องการพเพาะข้าวฮา ง, ง่อกเนะะี่ยค่ะอยากจะขอให้อาจารย์ได้ได้เล่าในส่วนของกระบวนการการพเพาะข้าวฮางงอกก่อนนะคะโดยโดยปกติที่ที่เพากันทั่วไปก่อนนะคะว่ามีกระบวนการอย่างไรบ้างนะคะค่ะโดยตามภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะคือว่าจะนําข้าวเปลือกนะคะที่อยู่ในเรายุ่งฉาญนี่ค่ะมาทาความสะอาดแล้วมาแช่น้ํา ประหนึ่งหนึ่งวันหรือว่าสองวันแล้วแต่สภาพภูมิอากาศนะคะจากนั้นก็จะอ่าระหว่างระหว่างวันเนี่ยที่เราแช่น้ําเนี่ยจะมีการล้างน้ําออกทุกสี่ถึงหกชั่วโมงดิฉะนั้นข้าวจะมีกระบวนการดูนซีทําให้เกิดการอ่าเหม็นอับเหม็นบูดอย่างนี้ค่ะรูดซีอ่าข้าวเปลือกเนี่ยเขาจะมีย่อยสลายเอนไซม์ออกมาย่อยไขยมันออกมาที่เป็นโครงสร้างข้างในทําให้อ่าเกิดการเหม็นอับจากนั้น ก็จ ะ, อะเอาน้ำออกไปแล้วก็อาจจะเปลี่ยนถ่ายภาชนะที่มีการระบายอากาศที่ดีเช่นกระสอบที่ชาวบ้านใช้กันนะคะหรืออาจจะเป็นภาชนะปิดก็แล้วแต่ที่เขาทำกันก็รอจนกว่าเขาจะงอกซึ่งก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งวันหรือสองวันตามสภาพภูมิอากาศค่ะหลังจากนั้นถ้าเป็นข้าหางงอกตามปริงานก็จะนำไปนึ่งการนึ่งคือการไม่ให้เกิดการงอกค่ะ แล้วก็ขั้นตอนสําคัญอีกขั้นตอนนี้ก็คือการนําไปตากแดดจัดประมาณสองถึงสามแดดหรือบางครั้งถ้าสภาพอากาศไม่จัดก็ไล่ไปถึงสี่ถึห้าแดดเลยค่ะก็รวมเวลาแล้วใช้เวลาประมาณเจ็ดวันเผื่อจะได้ข้าวตัวนี้ออกมาค่ะโ๊้ออั้งเหนือกระวานะคะจานไ้่แต่กระบวนการใช่ค่ะในการในกะารเคาะโอ้ใช้เวลายาวนานเหมือนกันโดยปกติทั่วไปก็ประมาณนี้ใช่ไหมคะจานเจ็ดวัน มีกระบวนการที่้าที่ที่จะช่วยให้มันมันมันเร็วขึ้นโดยที่ยังไม่มีเครื่องนี้ค่ะมีไหมคะค่ะก่อนหน้านี้คือเขาจะมีวิธเีเรียนแบบธรรมชาตินะคะเช่นถ้าฤดูหนาวเนี่ยข้าวเขา ง, งอกช้าเขาก็จะมีการอุ่นน้ำต้มน้ำนะคะเพื่อจะไปเร็งให้เกิดการงอกหรืออาจจะเติมพวกตัวเตียมปล่อลยวัตถุแกงค่ะเข้าไปบางทีก็ปรับสภาพให้เขามีความเป็นกรดเป็นเบส หรือแม้กาะทั่ทงเติมสารเร่งเข้าไปอะคะ่ะค่ะอาจารย์คาแล้วอะไรหรือทำไมที่ทําให้อาจารย์แบบว่ า, ามีความสนใจที่จะแบบศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการการของข้าวหางงอกเนี้ยคะถึงแล้วก็จนมาถึงขั้นตอนของการประดิษฐ์เครื่องเร่งเลยเร่งกระบวนการเลยอะคะ่ะก็คืออาจารย์ได้นําผู้หยีที่ไปช่วยส่งผู้ผลิตข้าวหางงอกอะคะ่ะ ต่ต่อนหน้าคือเป็นการอบแห้งอะคะ่ะซึ่งที่จะเดิมใช้เวลาสามวันนะคะค่าเฉลี่ยสามวันเราใช้เครื่องอบแห้งแบบอินเดลงไปทำให้กระบวนการเนี่ยสั้นลงเหลือประมาณครึ่งวันเราเห็นคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะเราเห็นหลายอย่างดีขึ้นจากการใช้เครื่องอบแห้งแต่เมื่อมีครั้งหนึ่งอะคะ่ะมีมีการออเดอร์ข้าวเข้ามาแล้วชาบ้านบอกว่าไม่สามารถผลิตได้เพราะว่าพายุเข้า อาจารย์ก็เอ๊ะเรามีเครื่องอบแล้วนี่คะทาไมถึงยังผลิตไม่ได้เขาบอกว่ามันก็จะมาติดคอขวดสองเรื่องของการพรา้องงอกอยู่ดีถ้าสภาพอากาศแปรปวนในการพรา้องงอกก็ลําบากด้วยเช่นกันค่ะแล้วอย่างยังคงใช้เวลาสามวันสี่วันแล้วแต่อาจารย์ก็เลยเป็นที่แมาอ่านั้นไปคอมมิชชน่นจับกลมชาวบ้านว่าอาจารย์จะทําเครื่องเร่งกระบวนการให้มันเร็วขึ้นภายในยี่สิบชั่วโมงเอาไหมนี่คือจุดเริ่มต้นค่ะ ก็คืออาจารย์แล้วก็ชุมชนเขาบอกอนี้ได้มีการแบบว่าอทํางานวิจัยร่วมกันมาระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็เลยได้ได้มีการคุยกันนู้อาจารย์คะแล้วในส่วนของจุดเริ่มต้นที่อาจารย์มาอก่อนหน้านี้ที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่คือเป็นเครื่องอบใช่ไหมคะเครื่องอบอบข้าวอบพืชพันธุ์ น, น, น, นจาจเกษตรใช่ไหมคะมันแห้งใช่ไหมคะอาจารย์แต่อันนี้คือมันคือเครื่องเร่ง เรียก<ช><ช>ว่าเครื่องเร่งการเพาะข้าวมันมันยากกว่าเครื่องเดิมยังไงเลยคะอยากให้เล่าให้ฟังนะคะก็คือมันเป็นคนแล้วก็บวนการเลยค่ะเครื่องการเใช้ทั่ว<อ>ไปเนี่ยวัตถุดิบส่งก็คือเราเราไปลดขั้นตอนของการตากแดดและความชื้นโดยใช้เครื่องอบที่ที่เป็นรังสีเปอร์เลตทำให้มันสั้นแต่ว่าการเร่งนะคะเครื่องเร่งของอาจารย์เนี่ยเข้าไป อไปรวบขั้นตอนของการแช่น้ําที่ต้องล้างน้ําทุกสิบหชั่วโมงนะคะกับการ mm hmm. การอเอนําเมล็ดข้าวเนี่ยค่ะมาวางบรรจุหรือ mm hmm. ว, ว่าในภาชนะแล้วรอรอให้เกิดการงอกซ mm hmm. ึ่งขั้นตอนสองขั้นตอนเน mm ี่ยใช้เวลานานและถือว่าเป็นการแยกกันอาจารย์ก็เลยนำสองตัวเนี่ยมาบรรจุในอถังเดียวกันตอนเดียวเดียวกันใช่ค่ะแล้วก็มีเป้าหมายที่จะทําให้เขาเกิดการงอก ได้เร็วขึ้นวัสกุส่งครั้งแรกโดยก่อนหน้านี้มีการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะเราไปเจอห ล, หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นที่ที่อาจารย์เล่าไปว่ามีการปรับสภาพเบสสดเบ ส, ดสดมีการเติมสารเล่งมีเ อ, อมีหลายๆอย่างแต่ล้วนแล้วแต่เป็นระดับสเกลในห้อง lab หรือว่าหากทําด้จริงอาจารย์มองว่ารูปประกอบการส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวบ้านนะคะหรือ ว, ว่า SME ขนาดเล็ก อาจารย์มอกว่าเขาเขาเป็นเป็นเรื่องยากที่ชาวบ้านจะมาทําสิ่งเหล่านี้และมันคือต้นทุนทั้งหมดเลยที่จะมาต้นน้ําที่มาเติมนั่นเติมนี่เข้าไปพออาจารย์มาเจองานวิจัยของทีโรัสนะคะกลุ่ทีโรัสของนุง่นวิสุญญาอีกอมีเทคนิคหน่าสนใจเป็นที่อยู่ของไทยคือเขาใช้น้ําเ อ, อมาช่วยในการแช่ข้าวไหลผ่านข้าวแต่อาจารย์เห็นจุดบอดของเขาอยู่ว่า ใช้น้ำปริมาณมากเกินไปรวมถึงมีการไหลผ่านตลอด24ชั่วโมงสิ่งหนึ่งที่เราคุยกับชาวบ้านเราเรารู้เรารู้เราพูดคุยกันเลยว่าเขาต้องการต้นทุนที่ต่ำและความเป็นไป ไ, ได้ในการใช้งานอาจารย์ก็เลยปรับนะคะปรับแนวคิดปรับหลักการทำงานนำสิ่งที่มีอยู่ในท้องตลาดในทางอุตุกรรมนะคะทำให้เกิดเป็นเครื่องเร่งที่ใช้เพียงซัมน้า หนึ่งตัวแล้วก็กระบวนการทางการควบคุมอัตโนมัติเข้ามาทําให้เกิดซีเควนซ์ของการให้น้ําค่ะเป็นรอบให้น้ําเป็นรอบแล้วก็ปล่อยให้เขาเอามีการหายใจในในขั้นตอนนั้นนะคะเขาจะเกิดความร้อนขึ้นในขณะเดียวกันเราออกแบบให้ตัวเครื่องเนี้ยมีการเติมออกซิเจนเข้าไปซึ่งออกซิเจนเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของการอาของการจเจริญเติบโตของคลื่น อ, อยู่แล้วค่ะและ ข้อยหลักเลยต้นรายการอาจารย์บอกไปว่าเ อ, อเนไซม์ที่ถูกย่อยมาหรือว่าไขมันที่ถูกย่อยออกมาโปรตีนออกมาเนี่ยจะมีกิจกรรมของจีนสีถ้าวิธีการเดินคีอการแช่น้ำนิ่งค่ะออกเคมีอยู่ประมาณออกเคมจะถูกใช้จนหมดจึงทำให้ต้องล้างน้ำสักสี่กชั่วโมงแต่เทคนิคนี้ค่ะเรามีการเรียนน้ำเรามีการทาให้น้านะคะมีการย้อนกลับ มีการหมนุนวนแล้วก็มีการเติมเร่มีการใบพาดน้ำให้เขามีการน้ำค่ะมีการหมนุนวนในแต่ละเวลารวมถึงมีการเตให้เกิดการเติมออกซิเจนซึ่งทำให้เกิดการงอกไดอเร็วแล้วก็น้ำที่ใช้ค่ะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยไม่บูดเลยค่ะค่ะอาจารย์คะที่บอกว่าเร่งกระบวนการเพราะมันมันสามารถเปรียบเทียบกับ วิธีเดิม น, นี้ได้ได้ประมาณเท่าไหร่คะคะก็อย่างเช่นเข้าหอมเบอร์หนึ่งสี่ห้านะคะอัตราการไหลของน้ำที่ปริมาณหนึ่งที่เหมาะสมค่าเวลาการให้น้ำที่เราเจอนะคะคือเอ่อเช่นเราให้น้ำเราเราจะมีการให้น้ำและและและการให้น้ำที่แตกต่างกันเราเจอนะคะว่าเข้าฝือสามารถงอกได้ยี่สิบห้าชั่วโมงเป็นต้นไปเลยค่ะโดยปกติถือใช้เวลา สองสามวันสิบห้าชั่งงอกเลยคะถ้าเป็นขาค่ะค่ะพอพอพอจะนึกภาพออกคือคืออ่าวิธีการที่อันนี้ไม่ไม่ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกไหมคะก็คือนำนำตัวตัวเปลือกานําตัวข้าวนั่นใช่ไหมคะจานเข้าไปในเครื่องค่ะเสร็จแล้วกระบวนการคือคนที่ใช้งาน่ยไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ไหมคะปล่อยให้ระบบการจัดการเองแบบนั้นเลยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะถูกต้องค่ะเป็นระบบอัตโนมัติโดยนำเข้าเปลือกที่ทําความสะอาดเข้ารีบไล่ออกแล้วค่ะเรามาบรรจุเข้าไปในถังในถัองอถังวัตถุนะคะข้างบนจะมีการติดตั้งไบโอนนอนที่เป็นหัวฉีดสำหรับสารกามค่ะซึ่งตัวนี้มีการออกแบบที่เหมาะสมมีการกระจายน้ําที่เหมาะสมนะคะเอปั๊มน้ำหนึ่งตัวนะคะจะเป็นประเภทปั๊มที่เขาเรียกว่าซูเปอร์ ป, ปั๊มตัวนี้จะให้อัตราการไหลน้ํา อ๋ประมาณ800ลิตรต่อนาทีอย่างนี้ค่ะซึ่งถือว่าเยอะมากเราก็มาให้เกิดการสเปรย์น้ำนะคะน้ำก็จะไหลผ่านข้าวเปลือกอย่างทั่วถึงนะคะจากบนลงแรางซึ่งคอลัมน์ที่เราทำระดับของอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีความสูงประมาณเมตร50ค่ะมันจุดข้าวได้ประมาณ200กิโลก ร, รัมข้าวเปลือกน้ำก็จะไหลลงสู่ข้างล่าง โดยครั้งแรกเนี้ยเราไ็มีพวกวัตถุดายว่าพวกกักน้ำให้เกิดเปลียนแบบการท่วมการแช่ขังนะคะเรามีเสเต็ปในการให้น้ำช่วงแรกคือต้องให้เกิดการท่วมแล้วก็โฟลอินโฟล์อัลสานการทำให้น้ำค่อยๆ่อยค่อยๆลดระดับลงน้ำจะหมดอย่างนี้พอผ่านไปสีชั่วโมงนะคะเรานิสิเปียนแบบการแพ่หลังจากนั้นเราความถี่ของการสเปรย์น้ำก็จะปเปลี่ยนน้าที่ออกจากส่วนล่างค่ะ จะมีความสูงทิ้งความสูงไว้หน่อยเพื่อให้น้ำเนี่ยมีขนาดเป็นน้ำตกเขาจะลงแบบน้ำตกออกเจนก็ถูกเติมเข้าไปมีถาดลองรับก็จะตกลง อ, ล อ, องีกรอบหนึ่งเป็นน้ำตกสองชั้นนี่คือช่วงการเติมออกซิเจนในขณะที่ฟัมเราแยกเป็นส่วนที่เข้าระบบและส่วนที่บายพาสมาทำให้เกิดการหมุนวนของน้ำในอ่างด้วยคล้ายๆกับ อ, อ, อ่างอาคุชี่ค่ะที่เขาบอกว่าสปา จึงทําให้ข้าวตัวนี้นะคะชาวบ้านเรียกว่าข้าวส ป, ปาหรือว่าเครื่องนี้มีชื่อเล่นอีกอย่างหนึ่งว่าเครื่องสปาข้าวค่ะค่ะอันนี้เทียบเท่าจะเลาคือมันก็คือจำลองการจารทางานปกติเราจะใ ช, ใช้ใช้มือใช้กระดุสนี่แหละเป็นคนคนจับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วระบบก็มีแค่แคก็คือ เอาข้าวเข้าไปเหมือนนำข้าวเปือกข้เข้าไปเนี่ยไม่ต้องทําอะไรอีกเลยเพราะฉะนั้นตัวควบคุมกระบวนการเนี่ยค่ะมันจะเป็นค่อนข้างไปเจอความซับซ้อนในส่วนนี้อาจารย์พอจะเล่าได้ไหมคะว่าวิธีการหรือว่าการสร้างเครื่องเนี้ยอาจารย์ใช้วิธีการสร้างอะไรประกอบบ้างาคะอาจารย์คะคืออาจารย์ยิ่หลักวิยาศาสตร์อยู่สี่สิ่งอะค่ะที่ทําให้เมล็ดพืชเจริญจากเมล็ดเจริญจับโตเป็นลําต้น ก็คือมีแสงนะคะมีแสงมีออกซิเจนมีความชื้น ค, ความชื้นนี้เราได้จากน้ำแล้วก็ความร้อนนะคะแต่ว่าข้าวหางงอกเนี่ยเขาไม่ต้องใช้แสงฉะนั้นเราจึงออกแบบให้ภาชนะเป็นแบบซึกงค ะ, คะการบรรจุเข้าไปแล้วก็มีรูปทรงกลวยเ็ทําทำให้ข้าวเนี่ยมีการไหลในมุมที่เหมาะสมค่ะแล้วก็ ความชื้นก็คือระบบการให้น้ําส่วนความร้อนเป็นระบบที่เรามีการทํำดาดับการให้น้ําจัดน้ําถ้าเขานะคะได้รับน้ำเนี่ยช่วงที่เขาข้าวจะรับน้ําเขาจะมีอุณหภูมิตามน้ําสภาพแวดล้อมพอาจานไม่ได้มีการปรับน้ําไม่ไม่ต้มไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะน้ําเป็นสภาพแวดล้อมพอเป็นช่วงหยุดน้ำปุ๊บเพื่อเป็นสิ่งมีชีวิตเขาจะมีกระบวนการหายใจคะ่ะเขาจะให้ความร้อนออกมาโดยธรรมชาติ ในในห้องในถังวัรจุนั้นนะคะจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหนึ่งสิ่งที่อาจารย์จับจับประเด็นได้จากงานวิจัยก่อนหน้าคือการแฝงรูปมเมล็ดพืชงอกทุกชนิดนะคะ่ะในช่วงที่เขา ง, งอกเนี่ยเขาจะมีความเครียดพอาะเขาเครียดสูงะคะ่ะ<อ>เขาจะผลิตกาบา้าและเขาจะรีดงอกองเขาจะกลัวตายอาจารย์ก็เลยจับประเด็นนี้นะคะ่ะมาทําให้เกิดความสับสน ก็คือแกล้งข้าวค่ะด้วยใช้น้ําในการแกล้งข้าวค่ะอาจารย์ขักระบวนการทั้งหมดที่อาจารย์ว่ามาันส่วนไหนคะระบบตัวไหนคะที่ที่แบบยากหรือว่าเป็นแบบว่าความทุ่มสุดเลยอาจารยเอ่อตัวที่ยากใช่ไหมคะค่ะในมุมของอาจารย์นะคะเนื่องจากว่าหลักการนี่เป็นหลักการที่ง่ายมากคือใช้แค่ปั๊มน้ําแล้วก็มีการจัด จัดรูปแบบของการให้น้ําส่วนที่ยากที่สุดของตัวเครื่องเนี่ยอาจารย์ขอตัดไปเลยว่าไม่ยากแต่ตัวที่ยากคือการจูนค่ะการจูนน้ํานะคะการจูนน้ําให้กับข้าวนะคะ ซ, ซึ่งข้าวเนี่ยนอกเหนือว่าเราจะเอามาทําเป็นข้าวหางบริโภคแล้วนะคะเราสามารถที่จะเป็นข้าวเพาะ ง, งอกเพื่อจะเอาไปเพาะปลูกได้ด้วยรวมถึงพืชอย่างอืน่นที่เราต้องการให้เป็นกลุ่มพืชนอก การจูนน้ำนี่ค่ะสําคัญเช่นอเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าความันมีอัตรากรารไหล800ลิตรต่อนาทีค่ะเราต้องมาบาลานซ์ว่าเราต้องเติมข้าวข้าเปิดเข้าไปกี่กิโลก ร, รัมเอาไปทำเหมาะสมค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากการสังเกตที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านวิธีชาบ้านคือสังเกตว่า ง, งอกงอกประมาณหนึ่งวันแล้วคือจบกระบวนการแต่วิธีการของอาจารย์นะคะมีการมอนิเตอร์ทุกชั่วโมงที่เขาเริ่มงอกแล้วก็ การจัดสีเควนของน้ําเนี่ยเราจะตรวจวัดปริมาณกาบ้านะคะปัจจุบันตรวจวัดปริมาณกาบา้าเราเจอปริมาณกาบ้ามีความ ม, มีมีความเอ่อปริมาณสูงมากก็คือประมาณสามพันมิลลิกรัมต่อห น, นึ่งร้อยก ร, รมัมซึ่งโดยทั่วไปแล้วค่ะก็คืองานเป็นตื น, นะคะที่เราอ่านงานวิจัยมาเนี่ยมีการเติมสารหรือว่าปรับสภาพน้ําอุณหภูมิน้ําค่ะเต็มที่ประมาณสี่ห้าสี่ร้อยค่ะ นะคแล้วเครื่องตัวนี้ยค่ะเครื่องเล่นการข้าวข่างนอกเนี่ยค่ะเล่นกลราวมาว่าควารางวัลสึงยอด น, นวัตรกรรมข้าวไทยในดีด้วยจะให้จะเล่าถึงารางวัลระดับนี้เลยนะคะสําสหรับรางวัลนบบวัตกรรมข้าวไทยนะคะถือว่าเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจมากนะคะก็เออเป็นได้รับรางวัลชนะเลิศระดับหนึ่งในในส่วนของประเภทอุตสาหกรรมอ ะ, ค, ะค่ะก็เออใน ให้อาจารย์เล่าคนไหนก็ความรู้ส hm ึกด้วยค่ะแล้วก็ทีน้าแล้วก็สิ่งที่อาจารย์จะพัฒนาต่อไปด้วยอ่ะค่ะเอาค่ะแน่นอนค่ะว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลสูงสุดที่เราภาคภูมิใจมากเพราะว่าได้เอ่อเป็นช่วยพระราชทานจากเอ่อําเด็จพระกนิชชาอารราชเจ้านะคะสมเด็จพระเจ้าประเทศประหลาเราก็เลยดอก ปลืม้มปลื้มใจมากาค่ภูมิใจมากอะคะ่ะทั้งทั้ง<ม>ทีเลยค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วในส่วนของเนี่ย่ะคะไหนจะได้รับรางวัลแล้วก็มีข่าวออกมามากมายในส่วนของการต่อยอดนวัตรกรรมนี้นะคะอาจารย์มีแนวทางอย่างไรบ้างคะ่ะค่ะก่อนอินเลยค่ะอาจารย์ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนวิจัยนะคะก็จะมีในส่วนของสํนานักการสํนานักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวชอค่ะ มหาวิทย า, าลาัยศาลาคำที่สนับสนุนทุนแล้วก็รวมถึงวิทยานิยาศาสตร์นะคะของหน่วยงานนอกจากรางวัล น, นวัตกรรมข้าวไทยแล้วคะ่ะอาจารย์ก็ได้รางวัลชนะเลิศอาาันดับหนป่รางวัล most innovation award สอง9สิเก้าด้วยคะ่ะเริ่งเตองตัวนี้คะ่ะค่ะเขาต้องขอได้น น, นาศาสตร์และก็ทีมงานด้วยค่ะค่ะในในส่วนของการพัฒนาต่อไปนะคะคือว่า ในคุณาสตร์การของการแปรรูปข้าวข้าวหางอยู่นี่ค่ะได้ถูกนำไปใช้ในในหลายพื้นที่ื่องๆนี้นะคะซึ่งพ้อย ห, หลักที่ที่เราได้ทำวิจัยส่วนนี้มาเนี่ยคือเราต้องการช่วยเหลือในในขั้นตอนของการแช่และเพาะงอกดิมให้เหลือสั้นลงละงานต่อไปเนี่ยมันลักษณะว่าความต้องการของผู้ใช้งานเจ้าที่เกษตรกรเนี่ย มีทั้งกลุ่มที่เป็นลายเก่าและกลุ่มที่เป็นตัวประกอบการลายใหม่ถ้าเป็นกลุ่มลายเก่าเนี่ยเขาจะยึงคงวิถีเช่นยังอยากจะนึ่งข้าวด้วยกลิ่นฟืนหรือใช้แกรบที่ได้จากเป็นไม้ตัวด c กของริบวันการหรือว่าอยากให้เราเนี่ยเครื่องนี้ทำเป็นทรีอินวันได้เลยไหมคะนอกจากเคาะแล้วงอกแล้วในถังเดียวกันเนี่ยอยากให้นึ่งในตัวได้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นค่ะซึ่ง ม, มันก็จะมีพอยที่เราต้องต้องศึกษาต่อไปค่ะอาจารา์คะละเครื่องนี้ปัจจุบันนี้อยู่ที่ไหนคะปัจจุบันนะคะก็คืออยู่ทั้งหมดเจ็ดที่ค่ะขนาดสำหรับขนาดที่เป็นถังเป็มชุดอุปกรณ์สเตเดีนะคะก็คือมีขนาดหนึ่งพันสี่ร้อยดิสก็อยู่ที่จังหวัดชายเยวขอนแก่นมหาสารคามสกลนครนนทบุนาาีนครพนม ที่กระจายอยู่ต้องเนือกจาก เ, าเป็นเซ็ตที่เป็น ส, สเตนเลสแล้วเนี่ยเราก็จะมีชุดครูวเรือนชุดอุตสาหกรรมในชุมชนเราก็มหาวิทยาลัยธรรมก็สนับสนุนให้อาจารย์ไปถ่ายทอดอในโครงการดรูการวิชาการนะคะเป็นทางพลาสติกเป็นอุปกรณ์คอนโทรลอัตโมัติชุดหนึ่งก็ประมาณสองหมื่นบาทที่เราไปช่วยชาวบ้านทําแล้วกระจายอยู่หลายพื้นที่ค่ะต่อเกิดรายได้ให้กับ<ค>ชุมชน เ้าสาวสุดฟแบกในการใช้งานจากเครื่องเป็นอย่างไรบ้างคะฟิตแบกแน่นอนค่ะว่าเปลี่ยนชีวิตค่ะเพราะว่าหนึ่งแหละลดเวลาลงจากงสามวันเหลือหนึ่งวันลดแรงงานนะคะไม่ต้องมาล้างน้ําและไม่ต้องมากวนข้าวไม่ต้องล้างข้าวนะคะก็คือมีหน้าที่เอาข้าว เ, เข้ากดปุ่มแล้วก็รอให้งอกแล้วกลับมาทํางาน อ, อในกระบวนการถัดไปเช่นทําำนึ่ง ลดปริมาณการใช้น้ําค่ะจากเดิมถ้าเทียบตัววิธีการดังเดิมนะคะอ600กิโลก ร, รัมข้าวเปือกเนี่ยเขาใช้อยู่ที่6ลิตแต่สําหรับเครื่องนี้ใช้น้ําแค่ 1,000 ลิตรค่ะแล้วเวลาเอสามารถที่จะนํากลับมาใช้ซ้ําด้วยรวมถึงเอเมื่อเมื่อเมื่อจําเป็นต้องเปลี่ยน น, ะะน้ำเนี่ยค่ะน้ามันจะมีไม่มีการเน่าเสียเราสามารถที่จะเอามัลดน้ําต้นไม้หรือว่าอะไรต่อได้เลยเพราะว่าเป็นการประหยัด น้ำอย่างมากนะคะในแง่ของคุณภาพนะคะข้าวเนี่ยจะมีประมาณต้นข้าวที่ดีขึ้นสารกาบ้าสูนยอย่าไม่เคยปรากฏมาก่อนเนื้อสัมผัส่างสินหอมนะคะผู้บริโภคเองอยอมรับเลยว่าทานข้าวแล้วเนี่ยสุขภาพดีขึ้นสังเกตอย่า ง, ง, งชัดนะคะค่ะ <c oughs> อ๋อชัดเจนนะคะแล้วก็ตอนนี้เครื่องเนี่ยที่อาจารย์บอกว่ากระจายอยู่ประมาณเจ็ดเครื่งด้วยกันนะณนะปัจจุบันนี้นะคะอยู่ในหลายๆบริษัทด้วยกันอยากให้อาจารย์สรุปสักครั้งนึงค่ะสําหรับวัตถุประสงค์หลักๆที่อาจารย์ได้พัฒนาเกี่ยวกับเครื่องเร่งการพกข้าวหางมอกขึ้นมารวมถึงเรียกว่าความคาดหวังของอาจารย์กับทีมงานด้วยสําหรับเครื่องนี้ค่ะค่ะกอโดยสรุปนะคะว่า เพื่อเร่งกระบวนการแช่และพะอกงอเข้าเปลือกสำหรับการสลิตเข้าหางองอเนี้ยถูกแบบมาเพื่อออแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตของวิธีการดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วค่ะซึ่งจะใช้เวลาในการเพาะเพาะแยกจากการงอกลมกัารแหนะวมกันประมาณสามสี่วันในระหว่างกระบวนการต้องพิถีพิถันใส่ใจอย่างมากไม่เช่นนั้นก็คือคุณค่าสารอาหารเองหรือว่ารสชาติสัมผัสกลิ่นสัมผัสมันก็จะเปลี่ยนไปนี้ค่ะ แล้วก็มุ่งหวังว่ากลุ่มผู้ใช้ค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นคนในท้องถิ่นเป็นผู้สูงอายุสามารถที่จะจัดการกับระบบได้ถ้าเมื่อไหร่เราสามารถลดหลายๆอย่างว่าจะเป็นเวลาลดแรงงานลดพลังงานที่ใช้ค่ะก็หมายถึงว่าต้นทุนในการผลิตก็จะดีขึ้นในส่วนของการใช้เครื่องจักรนะคะ่ะสิ่งเนึ่ที่สามารถ ต อ, อกโจได้คือการควบสิมภาพถ้าถ้าเราสามารถควบสิมภาพได้รวมถึงการที่เราจะผลิตได้ชุกวคดูการโดยมีเงินไขแล้วเนี่ยมันหมายถึงว่าเขาจะมีโอกาสแข่งขันที่สขึ้นนะคะ <c oughs> ค่ะโนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณอาจารย์ที่มาแนะนำทำให้เราได้รู้จัก ผลงานดีๆอกเกที่หนึ่นะคะเป็นสุดยอดนวัตกรรมข้าวไทยในปีนี้เครื่องเร่งการข้อข้าวหางงอกซึ่งเป็นผลงานของผู้ช่ว ย, อ, อ, ยอาจารย์ดรสุขัญยั่งยืนค่ะอาจารย์ประจันคณะวิทยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหานตมรคค า, าขอบคุณอาจารย์ที่ผลิตผลงานดีๆออกมาให้เกษตรกรไทยได้ใช้กันแล้วก็เป็นกําลังใจให้อาจารย์และทีมงานผลิตเครื่องกระต่อไปด้วยนะค ะ, คะจะได้มีทั่วทุกบคุยภาคของประเทศเลยขอบคุณอีกค้างค่ะสําหรับการพูดคุยในวันนี้กับ Innovation f o r l i ์ฟอสุดท้ายและจรงๆค่ะถ้าหาว่า ความที่ความมาทั้งสองคนนี้อยู่แล้วมีข้อสงสัยมีข้อคำถามหรือว่าเป็นกเกษตรกรหรือเป็นกลุ่มอาชีพนะคะที่อยากจะทําความรู้จักหรือว่าอยากจะเห็นหรืออยากจะสอบถามเกี่ยวกับเครื่องพกเข้าทางนอกนี้นะคะจะติดต่อสอบถามได้ที่ไหนอย่างไรคะจางคะค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเลยค่ะเนื่องจากว่าสํานัก ง, งานการวิจัยแห่งชาติวชอนะคะก็ได้มีส่งสั ญ, ญญาณมานะคะว่าคารูเกษตรกร ที่มีความสนใจนะคะสามารถที่จะประสานเข้าไปทางจังหวัดของท่านน่ะนะคะเพื่อทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปที่ฝ่ายจัดการความรู้ของวอชอได้เลยค่ะซึ่งก็จะมีการพิจารณาที่จะนำที่รีเนียไปให้ท่านแบบให้สาวเลยค่ะแล้วก็อาจารย์เองก็จะลงไปสอนในการทำเข้าห่างนี่ท้องทางหนึ่งนะคะนอกเหนือจากว่ า, ถ, าถ้าท่านแบบว่า ไปล้อนะค่ะมีเงินทุนเองอยากโงทุนเองเนี่ยก็ติดต่อมาหาอาจารย์ได้เลยค่ะที่คณะวิทยาศาสต ร, ร์มหาวิทยาลัยามคค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณอีกครั้งค่ะที่ช่วยศาสตราจารย์ดรสุพรรณยัง่งยืนอาจารย์จํา คณะวิศว ก, กรรมา ส, า, าสตร์าวิทาัยคาซาร์ที่มาเป็นแขกรับเชิญและร่มพูดคุยกันในรายการ Innovation นไลมวันนี้วันนี้เวลาหมดลงแล้วดิฉัน ก, กับกรนตชองนอพร้อมด้วยอาจารย์ผู้ช่วยาาศาสตราจารย์ดริมันยัยืนก็ต้องขอลาุณผู้งไปด้วยเวลาสุดท้ายีค่ะขอบคุค่ะรายการ Innovation อรลสนับสนุนรายการโดย